บรรยายธรรมวิภาคนักธรรมชั้นตรีหมูลที่สองโดยพระมหาเพระทิตะสีโลบรนพูดฟังทั้งหลายวันนี้จะได้บรรยายธรรมในหลักสูตรนักธรรมชั้นตรีเพื่อประกอบการศึกษาและเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังสืบต่อไปวันนี้จะได้บรรยายในหัวข้อว่าทำเป็นโลกบาลคือทำคุ้มครองโลกมีสองอย่าง คือหนึ่งฮิริความละอายแก่ใจสองโอตปะความเกรงกลัวทั้งสองข้อนี้ได้ชื่อว่าเป็นธรรมคุ้มครองโลกที่ว่าเป็นธรรมคุ้มคอ ร, รมคมคองโลกนั้นขอให้ท่านผู้ฟังได้มาทำความเข้าใจในคำว่าโลกเสียก่อนคำว่าโลกในที่นี้หมายถึงหมู่มนุษย์หรือประชาชนทั่วๆไปที่อาศัยอยู่บนพื้นผิวโลกนี้ทุกๆคน ไม่ว่าเชื้อชาติศาสนาใดนี่แหละหมายถึงคำว่าโลกถ้าหากว่าเราเข้าใจคำว่าโลกหมายถึงหมู่มนุษย์หมายถึงประชาชนแล้วเราก็จะเข้าใจความหมายของอันนี้ดียิ่งขึ้นและคำว่าบาลที่เรเรียกว่าโลกบาลไอ้คำว่าบาลนี่มันไม่ใช่หมายถึงว่าเขียนเหมือนกับหัวับาลอะไรอย่างนั้นแต่ว่ามาจากคำว่าปาละแปลว่ารักษาแปลว่าคุ้มครอง ฉะนั้นทำที่เป็นโรคระบาดรั่วๆทำที่คุ้มครองพวกชาวมนุษย์พวกชาวโลกให้อยู่เย็นเป็นสุขให้เกิดสันติสุขถ้าหากว่าผู้ใดมีฮีริความละอายแก่ใจมีโอษปะความเกรงกลัวแล้วผู้นั้นก็จะอยู่อย่างมีความสุขหรือชนส่วนใหญ่มีทำสองประการคือความละอายแก่ใจมีความเกรงกลัวแล้วประชาชนชาวโลกก็จะเกิดสันติสุข จะสันติภาพก็จะมังเกิดมีขึ้นโดยทั่วกันจะไม่มีจะไม่มีมมามการแข่งแย่งหรือไม่มีการยกทัพจับศึกฆ่ากันซึ่งกันและกันอันนี้จะไม่มีฉะนั้นก็จะได้ขยายคาว่าทีริความละอายแก่ใจให้มากต่อไปอีกทีริความหมายก็คือว่าความละอายแก่ใจหมายถึงละอายแก่ใจตัวเอง ต่อการประพฤติทุจริตทางกายก็เรียกว่ากายทุจริตทางวาจาก็เรียกว่าวจีทุจริตทางใจก็เรียกว่ามโนทุจริตและขอให้ท่านทั้งหลายได้ทราบไว้เลยว่าความละอายแก่ใจที่เรียกว่าฮิริจะเกิดขึ้นได้นั้นคนเราจะต้องคํานึงถึงชาติต้องคํานึงถึงส ก, กุลต้องคํานึงถึงวัยต้องคํานึงถึงทรัพย์และเกียรติยศ ตลอดจนกระทั่งศิลปะวิทยาการต่างๆที่มีอยู่ในตนก็หมายความว่าคนเราถ้าหากว่าจะทำความชั่วก่อนที่จะทำนั้นก็มาปรารบถึงตัวเองว่าตัวเองมีฐานะเป็นอย่างไรนะมีฐานะเป็นอย่างไรมีชาติกําเนิดเป็นอย่างไรมีสกุลพงวงเผ่าเป็นอย่างไรสมควรหรือไม่ที่จะทำอย่างนี้นี่ เมื่อเราคิดอย่างนี้จะทำให้เราเกิดความละอายแก่ใจนะจะทำให้เราเกิดความละอายแก่ใจขึ้นแต่ที่คนเราทุกวันนี้ไม่มีความละอายแก่ใจก็เพราะว่าไม่ได้ปรารบตัวเองไม่ได้ปรารบวงสกุลของตัวเองไม่ได้ปรารบเกียรติยศเกียรติสดดักหรือตลอดจนศินละปะวิทยาการต่างๆคูมรู้ต่างๆของตนว่าสมควรหรือไม่สมควรเหมาะสมหรือไม่เหมาะอย่างไร นี่เพราะเราไม่ได้ปรารบตัวเองอย่างนี้เราจึงได้ทำอะไรขาดสติขาดสัมปชัญญะก็เลยกลายเป็นว่าทำไปแล้วเป็นที่ติถินนินทาเป็นที่เสื่อมเสียวงสกุลจนกระทั่งเสียผู้เสียคนไปก็มีและเสียชีวิตไปก็มีนี่แหละเพราะเราไม่รู้จักความละอายแก่ใจความละอายแก่ใจนี้เราจะต้องละอายทั้งไหนที่แจ้งหนที่รับ ถึงแม้ว่าเราจะทำอะไรไป น, นั้นถ้าหากว่ามันเป็นสิ่งที่ชั่วเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวเองและผู้อื่นเดือดร้อนแล้วแม้ในที่ลับก็ไม่ควรทำอย่าคิดว่าไม่มีคนรู้ไม่มีคนเห็นไม่เป็นไรไม่น่าละอายแกิใค ร, ใครไม่ได้คิดอย่างนั้นไม่ถูกเพราะในเรื่องการทำชั่วนั้นมันให้ผลเดือดร้อนมันให้ผลเผาผลาญจิตใจของเราทั้งในที่ลับในที่แจ้ง เมื่อเราทำไปแล้วเราจะหนีไปอยู่ที่ใดไอความผลแห่งความชั่วนี้มันก็จะตามเผาผลาญจิตใจของเราไปทุกที่ทุกฝีก้าวแม้เราจะไปอยู่ในห้องแอร์มันก็ร้อนไปอาบน้ํามันก็ร้อนจะอยู่บนประสาสักสิบทั้นมันก็ร้อนไปอยู่เตกใต้ดินมันก็ร้อนหนีไม่พ้นผลกรรมแห่งการกระทําความชั่วฉะนั้นจึงบอกว่ายานึกว่า เราทำชั่วในที่ลับแล้วจะไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นคนก็ไม่ติขินนินทาอันนี้เราจะต้องรู้ว่าอย่างน้อยก็ตัวเรารู้นะคนอื่นจะเห็นหรือไม่เห็นนั้นไม่สําคัญอย่างน้อยตัวเองก็รู้ว่าทำชั่วนี่สิข้อนี้สาคัญมากถ้าเรารู้ว่าตัวเองทำชั่วแล้วก็ให้เรายังคิดว่าสมควรหรือเหมาะสมหรือ ยิ่งเป็นพระสองค์เนรก็ยิ่งไม่สมควรจะทำใหญ่นะถ้าเราคิดอย่างนี้ได้แน่นอนที่สุดเราทุกคนก็คงจะไม่กระทำความชั่วด้วยกายวาจาและใจแต่ที่เราก็ะทำกันไปก็เพราะความประมาทมัวเมาหรือเพราะความหลงราบยศชื่อเสียงของตัวเองจนลืมกลารบตัวเองไปสําคัญตัวเองว่าดีกว่าเขาเลื่อกว่าเขาจะทำอะไรก็ได้นี่แหละเพราะเราทำอย่างนี้ บ้านเมืองจึงเกิดความเดือดร้อนบ้านเมืองจึงเกิดความระสำมระสายบ้านเมืองจึงไม่เกิดความสงบสุขฉะนั้นก็อยากจะขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังธรรมะข้อนี้แล้วก็ลองนําไปพินิจพิจนารณาก็จะเห็นชัดแล้วว่า<ม><ม>คนเราถ้ามีความละอายแก่ใจแล้วแน่นอนที่สุดจะไม่ทําความชั่วหรือทําก็เรียกว่าอธิริ้นว่าโทษไม่ร้ายแรงนะัก เรายกตัวอย่างง่ายๆอย่างการฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอะไรอย่างงี้หรือทรมานตัดกักขังสัตว์ถึงจะไม่มีใครว่าใครจะสนับสนุนเราแต่ถ้าเราเกิดธรรมะข้อนี้ขึ้นในใจว่าน่าละอายว่าสิ่งมีชีวิตก็รักสุขเปรียทุกสิ่งมีชีวิตนั้นรักชีวิตของตนมากเราก็เหมือนกันเราเป็นเป็นมนุษย์เราก็รักชีวิต เขาเป็นสัตว์เขาก็รักชีวิตถ้าเขามาฆ่าเราเราก็กลัวตายและเราก็เจ็บเราก็ปวดเขาก็เหมือนกันเออเราไม่ควรไปเบียดเบียนเขาไม่ควรไปทําร้ายเขาไม่ควรไปกักขังเขาไม่ควรไปทรมานเขาถ้าเราคิดอย่างนี้แน่นอนที่สุดเท่ากับว่าเราปรารบอ่าทําข้อนี้ให้เกิดขึ้นในใจของตัวเองไม่เอาคนอื่นมาเป็นตำหนิ ไอเรื่องการทำดีทำชั่วนี้ไม่ต้องเอาคนอื่นเป็นประมาณเอาตัวเองเป็นใหญ่ถ้าเห็นว่ามันดีมันถูกต้องแล้วอย่างนั้นก็ทำไปแต่ถ้าตัวเองรู้แล้วว่าไม่ดีไม่ถูกต้องไม่เหมาะไม่สมไม่ควรและรู้ชัดเลยว่าเราทำไม่ดีทำชั่วอย่างนี้เราควรจะหยุดยับยั้งชั่งใจอย่าทำนะอย่าทำถึงแม้ว่าเราจะขึ้นไปอยู่บนยอดก่าชันที่สามสิบสี่สิบว่าไม่มีคนรู้คนเห็นแต่ตัวเองก็รู้ก็เห็นอยู่แกลใจนี่ ขอให้เราทราบอย่างนี้ถ้าหากว่าเราคิดอย่างนี้ได้แน่นอนที่สุดสมบูิภาพก็จะเกิดขึ้นกับตัวเองเกิดขึ้นกับสังคมเกิดขึ้นกับประเทศชาติและเกิดขึ้นกับชาวโลกถ้าทุกคนคิดอย่างนี้นะทีนี้ก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายได้ทราบไว้อีกอย่างหนึ่งว่าอนฮิริโอตตะเนี่ยนะมันเป็นธรรมที่คู่กันฮีริความละอายแก่ใจดีท่านเปรียบเหมือนกับว่าเหล็กที่เปื้อนคูด ก้อเหล็กที่เปื้อนคูดธรรมดาก็เหล็กที่เปื้อนคูดเนี่ยถึงแม้เรามีความปรารถนาต้องการเหล็กกันนั้นแต่ว่ามันเปื้อนคูดนะมันเปื้อนสิ่งโสโครกเราไม่กล้าจะหยิบเพราะอะไรเพราะหยิบไปแล้วมันก็เปื้อนไม้เปื้อนมืออา่าเหม็น เ, เราจะต้องมาชาระล้างลําบากนะแล้วก็น่าขยะขยะงฉะนั้นคนที่มีฮิริออยู่ในใจ ก็ย่อมขยะขยงต่อการกะทำทุจริตต่อการจะทำความชั่วทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับก้อนเหล็กที่เปื้อนคูดฉันนั้นนะทีนี้ก็หันมาดูทางอดสตระบ้าในข้อสองว่าอดสปะความเกรงกลัวคำว่าความเกรงกลัวในที่นี้หมายความว่ากลัวความชั่วนะกลัวความผิดไม่กล้าทำเกรงขามต่อผลแห่งกรรม แ่งการกระทำความผิดนั้นนี่เกรงกลัวว่าสิ่งที่ตนจะทำนั้นจะผิดทำนองคลองทำผิดระเบียบแบบแผนนะผิดรมเนียมผิดขนบประเพณีโดยคำหนึ่งถึงผลแห่งบาป ท, ที่จนก ร, กระทำนั้นว่าถ้าตนทำไปแล้วต้องได้รับความเดือดร้อนที่เห็นได้ชัดก็คือว่าอาจจะต้องถูกคนติชินนินทาหรืออาจจะถูกเจ้าหน้าที่เขาจับ ถูกจองจําติดคุกติดตารางเสียชื่อเสียเกียรติยศเสียเขาพงวงวานเสียไปหมดเลยนะเสียไปหมดฉะนั้นอันนี้แหละเราควรจะมีความยั้งคิดกันบ้างควรจะมีความเกรงกลัวกันบ้างนะถ้าเราเกรงกลัวอย่างนี้แน่นอนที่สุดเราทุกคนก็จะไม่มีการเบียดเบียนกันจะไม่มีการเอารัดเอาเปรียบกันแต่ทุกวันนี้เราไม่เกรงกลัวกัน เมืนะ่อเราไม่เกรงตัวตอบผลแห่งบาปแน่นอนที่สุดคนนั้นก็จะมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนนะจะยกตัวอย่างสามีภรรยาคู่หนึ่งมีอาชีพรับราชการทุกวันสามีก็จะพาภรรยานี้ไปที่สำนักงานด้วยรับส่วนตัวพร้อมกับมีลูกชายอีกสองคนส่งไปถึงโรงเรียนแล้วก็จะไปยังที่ทำงานแต่ว่าสามีนี่แกเป็นคนที่ ใจบุญใจกุศลเป็นคนมีใจเมตตานะมีใจเมตตามากในขณะที่ขับรถนี้แม้สุนัขจะข้ามก็หยุดรถให้ข้ามหรือบางครั้งเห็นงูเงี้ยวเขี้ยวขอจะข้ามถนนก็หยุดรถให้ข้ามบางครั้งแม้จะทั่งปูจะเดินข้ามถนนแกก็หยุดรถให้ข้ามจนถึงกระทั่งที่สุดสิ่งไรที่แกเห็นว่ามันเดินข้ามถนนในขณะที่แกขับรถจะเป็น จะขับมาแรงป่องแกก็จะหยุดรถทันทีสร้างความปวดเสียงเวียนกล้าวให้กับภรรยาเป็นอย่างมากว่าสามีทำเกินไปเมตตาสัตว์เกินไปวันหนึ่งในขณะที่สามีกำลังรีบขับรถบุมเพื่อจะไปส่งให้ลูกนั้นไปทันโรงเรียนปรากฏว่าในขณะที่สามีเหยียบคันเร่งเต็มที่นั้นภรรยาก็พูดมาเสียงดังเลย ว, ว่าหยุดหยุดหยุดหยุดยุดสามีก็เบรกตัวก ล, ล่องลยนะ ตกใจมากกว่าเอ๊ะอะไรก็ถามภรรยาบอกว่าทำไมเหรอนยาบอกอ้าวไม่เห็นยังไงมดเดินข้ามถนอนอยู่นะั่นนี่เห็นไหมท่านผู้ฟังไอ้แค่นี้คนเราก็เอามาเป็นสิ่งแก้แค้นกันได้นะเห็นว่าสามีนี่แม่รู้สึกว่าชอบหยุดรถเมตตาสัตว์ข้ามถนนเหลือเกินตัวเองลำคาญก็เลยหาทางแก้แค้นโดยการว่ามดข้ามถนนนั้นทาไมไม่หยุดออ ภรยาต่อว่าใหญ่เลยไม่เห็นด้วยไงไม่เมตตาสัตว์บ้างนี่อย่างนี้มันก็เกินไปนะท่านผู้ฟังนะฟังแล้วก็อย่าเอาไปใช้อย่างนี้นะอย่าเอาไปใช้อย่างนี้ก็ปรากฏว่าสามีพอรู้ว่าภรรยาหาทางแก้แค้นด้วยการให้หยุดรถบอกว่ามดข้ามถนนก็รู้สึกไม่พอใจนะก็บอกว่าเอาละไม่เป็นไรแค้นนี้คืนนี้ต้องชำระแน่นะ พูดเหมือนกับว่าคนเคยดูหนังจีนมากวังอ่ะเถอะว่าแค่ น, นี้ต้องชำระกันในคืนนี้ในลูกชายมันอยู่ในรถนั้นมันก็เลยพูดแบบคนติดหนังจีนบอกว่าท่านผู้อาวุโสทั้งสองถ้าคืนนี้ท่านจะชำระกันเวลาเท่าไหร่ช่วยบอกข้าผู้น้อยด้วยนะสามีภรรยายเกิดวัวเราะขึ้นได้ตอนนี้อารมณ์ดีนะเพราะมีลูกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็เลยทําให้อารมณ์ดีว่าถ้าคืนนี้จะชำระกันเวลาเท่าไหร่แล้วก็บอกข้าผู้น้อยด้วยอืม อันนี้มันก็เป็นเรื่องคำเล็กๆน้อยๆระหว่างสามีภรรยาที่มีใจเมตตาต่อสัตว์ฉะนั้นเมื่อพูดถึงในเรื่องผลแข่งบาปแล้วท่านผู้ฟังทั้งหลายในทางพระพุทธศาสนานี้ก็ได้สอนไว้เป็นหลักเป็นฐานไว้เลยว่าคนทําดีต้องได้ดีทําชั่วต้องได้ชั่วทําบาปเองก็เศร้าหมองเองไม่ทําบาปเองก็ไม่เศร้าหมองเอง นี่คนจะทําคนหนึ่งจะทําอีกคนหนึ่งให้บริสุทธิ์ไม่ได้นะความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์นั้นมันเป็นของเฉพาะตัวใครทําใครได้นะใครกินข้าวเองคนนั้นก็อิ่มเองใครไม่กินใครก็ไม่อิ่มนะนี่มันเป็นหลักความจริงเดี๋ยวนี้คนเราก็มักจะไปแปลงว่าทําดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีถมไปนะอันนี้มันเป็นการ เท่ากับว่าเรานี่ไปแปลงพระพุทธพจน์ไม่ถูกต้องอาจจะเป็นเวรเป็นกรรมเป็นบาปก็ได้นะเพราะในทางพระพุทธศาสนาท่านมีพุทธพจน์รับรองไว้เลยว่ายาที่สังว่าปเตพีชังตาที่สังล้วปฏิพลังกาลยาณการีกาลยานังปาปกาลีจปะปาปกังว่าบุคคลหวานพืชเช่นใดก็ย่อมได้รับผลเช่นนั้นถ้าทําดีก็ต้องได้รับผลดีทําชั่วก็ต้องได้รับผลชั่ว นี่แต่เมื่อเราไปบอกว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปมันไม่มีหรอกอความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นถ้าใครพูดคำนี้ขึ้นมาขอให้ท่านทั้งหลายเอาบทกลอนบทนี้เอาไว้แก้เขาได้เลยว่าการทำดีได้ดีนั้นมีแน่ขอเพียงแต่มันทำความดีไว้ที่ทำชั่วได้ดีมีถมไปไม่มีใครจีรังพังทุกคนนี่เอาไว้แก้เขาได้ ว่าการทําดีได้ดีนั้นมีแน่ขอเพียงแต่มันทําความดีไว้เอาเถอะขอให้ทำบ่อยๆเถอะมันต้องได้ดีต้องได้ดีเป็นแน่ไอคนที่ทําชั่วได้ดีมีถมไปไม่มีใครจีรังพังทุกคนเห็นไหมมีไหมที่ทําชั่วได้ดีไม่มีอะมันอยู่ไม่นานหรอกต่อเมื่อผลแห่งความชั่วนั้นมันถึงที่สุดแล้วมันก็ให้ผละล้มละลายเออันนี้เห็นมีมากเห็นมีมากเลยอันนี้ก็จะยกตัวอย่าง ให้ฟังอย่างเช่นเป็นเรื่องของคนที่ทำความชั่วนะมีนายเล็กอ่ามีนายเล็กนี่ก็เป็นคนจังหวัดนครนายกนะนครนายกอายุประมาณสักสามสิบปีเห็นจะได้วันหนึ่งนายเล็กกกอยากจะกินต้มขาหมูแกก็เลยแวะไปซื้อขาหมูที่แผงลอยตลาดพอซื้อมาแล้วแกก็ตั้งใจจะเอาไปต้ม แต่ว่ายังไม่ทันจะต้มแก่ก็พอดีมีงานที่จะต้องทําก่อนอย่างกระทันหันแกก็เลยเอาขาหมูนั้นไปแขวนไว้ที่อาชายชายอชายชายระเบียงบ้านที่ตนเองทํางานอยู่นั้นตัวเองก็มัวทํางานจนเพลินไปพอดีสุนัขมันได้กลิ่นเข้ามันก็เลยมาคาบเอาขาหมูไปในเล็กพอทํางานเสร็จ ก, ก็หันมาจะมาหยิบเอาขาหมูนี้ไปต้ม แต่เหลียวไม่เห็นจะแล้วแม่รู้สึกว่าฉุนเกิดขึ้นมาทันทีเลยเพราะตั้งใจว่ายังไงยังไงวันนี้ก็จะต้องต้องขาหมูกินให้สะใจสักทีหนึ่งนะให้สะใจสักทีหนึ่งแต่เหลียวไปดูรอบๆแล้วอ้าวไปเห็นสุนัขซึ่งกําลังแทะขาหมูอยู่ใกล้จะหมดแล้วนะเห็นเป็นกระดูกโผลออกมาในเล็กก็ปรีเข้าไปจับกระดูกอที่สุนัขกําลังกัดแทะอยู่นั่น ก็เลยทิ้มเข้าไปในคอเขาอีกทีหนึ่งอย่างแรงเลยนะอย่างแรงเลยจนกระทั่งกระดูกนั้นมันก็เลยทิ้มเอาอคอสุนัขนั้นร้องเอสโรไปเลยนะร้องเอสโรไปเลยแค่นั้นยังไม่สมใจในเล็กยังเอาท่อนไม้ใหญ่นะทุบลําตัวที่สุนัขนั้นไปอีกสองสามทีจนสุนัขนั้นนอนนิ่งไปพักหนึ่งแล้วก็ลุกร้องไปรอบๆอ บ, บ้าน ไอ้ที่ร้องไปนั้นเพราะว่ากระดูกยังต่าคอสุนัขอยู่ทะลุเลยอย่า ง, งนะันนะทะลุเลยร้องวิ่งวนบ้านไม่รู้จะ ก, กี่รอบจนกระทั่งวิ่งวิ่งผ่านไปบ้านใครก็ร้องอยู่อย่างนั้นใครเห็นแล้วก็เกิดสงสารนะอยากจะช่วยเหลืออยากจะเอากระดูกออกจากคอสุนักแต่ว่าสัญชาตญาณของสุนักนั้นในเมื่อตนเองกําลังเจ็บพอเห็นใครเข้าใกล้ก็กลัวว่าจะมาทําร้ายก็วิ่งหนีอยู่ตลอดเวลาพร้อมกับร้องอยู่เลย ให้เหตุการณ์อันนี้มันก็เกิดอัศจรรย์อยู่หลังจากนั้นประมาณอีกสักอ่20วันได้สุนัข ก, ก็ตายนะสุนัข ก, ก็ตายแล้วหลังจากที่สุนักตายไปแล้วประมาณได้เกือบๆ2เดือนในาเล็กก็เกิดการเจ็บป่วยขึ้นมาโดยไม่มีสาเหตุคือเจ็บป่วยที่คอเจ็บที่คอปวดที่คอไปหาหมอรักษา ตามโรงพยาบาลต่างๆก็ไม่หายหาหมอกลางบ้านก็ไม่หายอมันเจ็บคอแล้วเกิดแล้วในเล็กนี่จะไออยู่ด้วยนะไอแล้วก็บางครั้งก็ทําเป็นเสียงขากนะขากบางครั้งที่ไม่มีอไอขากเหมือนกับว่ากระดูกหรือกล้ามอะไรมันไปติดคอจนคนชาวบ้านในแถวนั้นเนี่ยสันนิษฐานไว้ได้เลยว่าในเล็กเนี่ยคงที่เป็นปวดคอเจ็บคอนี้คงจะเป็นเพราะผลกรรมที่ ได้เอากระดูกหมูนั้นไปทิ่มคอสุนัขเข้าฉะนั้นเสียงที่ในเล็กขากออกมาก็ดีหรือกิริยาการที่ทํมานั้นมันเหมือนกับไอสุนัขที่มันร้อง <c oughs> ที่มันร้องที่มันขากะฉะนั้นหลังจากนั้นอีกประมาณไม่นานในเล็กก็ถึงแก่ความตายนี่อันนี้เป็นเครื่องเคี่ยวเห็นว่าผลของการทําชั่วนั้นมีแน่แน่นะมีแน่แน่ ยาเนึกว่าตัวเองทําไม่มีใครรู้ใครเห็นจะไม่ได้รับอันนั้นเป็นพวกคนมิจฉาทิฐินะคนที่มีมิจฉาทิฐิคือคนที่เห็นผิดนี้แน่นอนที่สุดเขาย่อมไม่มีความละอายแก่ใจเขาย่อมไม่มีความเกรงกลัวพวกนี้ก็คือว่าถ้าภาษาพระเขาเรียกว่าเป็นคนทาลายโลกนะคนที่ทาลายโลกก็คือคนที่ ไม่มีฮีริความละอายแก่ใจคือคนที่ไม่มีโอตตะปะความเกรงกลัวถ้าพระเขาเรียกว่าอาฮิริกะคือคนไม่มีความละอายอนโนตตะปะคนไม่มีความเกรงกลัวนะทำสองอย่างนี้เรียกว่าเป็นธรรมที่ทําลายโลกถ้าคนใดไม่มีความละอายแก่ใจไม่มีความเกรงกลัวอยู่ในใจบุคคลนั้นจะทําแต่ความชั่วนะทําแต่ความเดือดร้อนให้เกิดความหายนะเกิดขึ้นในกับตัวเองทั้ง ครอบครัวสังคมประเทศชาตินี่อัเรียกว่าอยู่ที่ไหนก็มีแต่ทุกข์มีแต่เดือดร้อนเข้าที่ไหนก็แตกที่นั้นเข้าวันไหนก็เป็นที่เอเกิดความระสําระสายของวันนั้นว่ากันนถะนฉะนั้นพูดถึงคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐินี้ถือว่ามีโทษร้ายแรงมากนะมีโทษร้ายแรงมากฉะนั้นสังเกตดูในสมัยพุทธกาลก็มีคือพวก ที่เห็นผิดก็คือบางคนเห็นว่าการทำดีทำชั่วนั้นจะต้องมีคนเห็นนะถ้าไม่มีคนเห็นไม่เชื่อว่าเป็นการทำดีไม่เชื่อว่าถ้าทาดีหรือว่าทำให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาถ้าไม่มีคนเห็นไม่มีคนชมไม่มีคนยกย่องไม่เชื่อว่าเป็นการทำดีถ้าทำชั่วไม่มีคนติฉินนินทา ไม่ได้รับผลแห่งการทำชั่วไม่ได้ถูกจองจําไมไ่ถูกอาทยาลงโทษไม่เชื่อว่าเป็นการทำชั่วนี่เห็นไหมท่านลองนึกดูสิว่าคนที่เป็นมิจฉาทิฐิเห็นอย่างนี้การเห็นอย่างนี้ทางภาษาพระเขาเรียกว่าอกิริยทิฐิคือความเห็นว่าไม่เป็นอันธทำความเห็นว่าไม่เป็นอันธทมทำดีไม่มีคนยกย่องชมเชยก็ไม่เป็นอันทำดีทำชั่วไม่มีคนติชินนินทาน ก็ไม่ชื่อว่าเป็นการกระทําความชั่วนี่ดูดูคนที่ไม่มีฤทริ์ความละอายกับใจไม่มีโอดตับปะความกลัวเขาคิดนะและอีกประเภทหนึ่งบอกว่าการทําดีทําชั่วนั้นไม่ต้องทำหรอกนะว่าความดีความชั่วนั้นไม่ต้องทําอยู่ดีๆมันมาเองนะคนเราถึงคราวดีดีเองถึงค่าวเคาะร้ายร้ายเองไม่ต้องทํา ไม่ต้องทําพวกนี้ก็คือว่าภาษาพระเขาเรียกว่าอเหตทุกะทิทิความเห็นว่าหาเหตุมีได้าหาเหตุมีได้ในทางพระพุทธศาสนาของเรานั้นถือว่าการทําดีทําชั่วนั้นมาจากเหตุมาจากเหตุาาหตทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นแต่เหตุแล้วก็จะหมดลงไปก็ด้วยเหตุเท่านั้นไม่ใช่อะไรไม่ใช่อะไรแต่ว่า คนเราไม่ค่อยคำนึงคือไม่ค่อยคานึงถึงในข้อนี้ฉะนั้นเวลามีปัญหาขึ้นเราก็ไม่รู้จักเหตุเกิดปัญหาเมื่อไม่รู้เหตุเกิดปัญหาฉะนั้นในปัญหาจะหมดไปไม่ได้นะเพราะเราแก้ปัญหาไม่ถูกจับจุดของปัญหาไม่ถูกฉะนั้นเมื่อเรารู้ตัวปัญหาก็ต้องรู้เหตุให้เกิดปัญหาเมื่อเรารู้เหตุให้เกิดปัญหาเราก็ต้องรู้ว่าความดับแห่งปัญหานั้นมีอยู่นะ เรียกว่าทางที่จะหมดปัญหานั้นมีอยู่ท่านั้นก็ต้องรู้หนทางที่จะแก้ปัญหารู้วิธีการว่าเมื่อปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นเราจะต้องแก้ไขอย่างไรงเหมือนกับว่าเราเกิดความยากจนเราก็พิจารณาูว่าที่เรายากจนนี่เพราะอะไรเพราะว่าเราเกียจค้ามทำการงานหรือเราไม่ขยันทำการงานหรื อ, อนี่ให้เราพิจารณาดูเพราะในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ก็ตรัสเลยว่า อุทษาตาวินเตเตทะนังคนขยันย่อมหาทรัพย์ได้ถ้าขยันแล้วก็หาทรัพย์ได้แต่คนเราที่ยากจนกันทุกวันนี้เพราะไม่ขยันอย่างหนึ่งแล้วก็มีอีกหลายสาเหตุอ่าหรือบางคนขยันแล้วแต่ว่ายังไปติดอันบายยมุกอยู่เป็นนักเลงหญิงเป็นนักเลงชายเป็นนักเลงสุราเป็นนักเลงการพนันอ่าอย่างนี้เป็นนักเลงดื่มนะนักดื่มสุราเมรัยแล้วก็คบคนชั่วเป็นมิตร อย่างนี้ต่อให้มีเงินล้นฟ้าล้นดินก็ไม่เหลือนะอย่างนี้ก็ไม่เหลือฉะนั้นถ้าหากว่าเราเดินตามทางที่พระพุทธองค์ได้จัดสอนเอาไว้อย่างเช่นว่าทิฏฐธรรมิกะะัฏฐะคือประโยชน์ที่จะพึงเห็นในปัจจุบันถ้าพูดเป็นไทยๆก็เรียกว่าหัวใจเศรษฐีหลักของความร่ำรวยนี่พระพุทธเจ้าได้วางไว้คือหนึ่งให้เรารู้จักขยนัน สองให้เรารู้จักประหยัดสามให้เรารู้จักคบเพื่อนที่ดีสี่ให้เรารู้จักการดำรงชีวิตเลี้ยงชีวิตตามพอมเหมาะพอควรนะคนเราถ้าขยันขยันทำกิจการงานขยันเล่าเรียนศึกษามันก็สอบไม่ตกนะสอบไม่ตกนะคนถ้าขยันอ่านตำราตำรามากก็มีความรู้มากนะ ขยันอันน้อยก็มีความรู้น้อยเกียร์คานก็ยิ่งจะเป็นคนโงอยกใหญ่นะดังนั้นคนยิ่งขยันทํางานมากทําไรทํานาทําสวนแน่นอนที่สุดมันจะต้องได้มากเว้นอยู่ว่าเมื่อเกิดภัยธรรมชาติเช่นฝนแรงหรือว่าน้ําท่วมอะไรนี้อันนั้นมันอีกเรื่องหนึ่งมันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะเป็นเรื่องของธรรมชาติฉะนั้นขอให้เราได้ศึกษาดูคนที่เขาร่ารวยมาจริงๆนั้นโดยมากจะขยันบางคนก็ก่อร่างสร้างตัวมาแบบที่เรียกว่า เงินสิบาทยี่สิบาทร้อยบาทสองร้อยบาทแค่นั้นเองกลายมาเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีของประเทศก็มนะีอันนี้ขอให้เราลองลองศึกษาประวัติเขาดูและประการที่สองให้เรารู้จักประหยัดนะเมื่อเราหาทํามาหากินมาได้ทํามาหากินมาได้แล้วต้องทํามาหาเก็บต้องรู้จักเก็บบ้างไม่ใช่กินหมดไม่ใช่ล้างฝานหมดนะอันนี้นะักปราชญ์ในทางคํากรท่านก็พูดไว้ว่า มีสลึงพึ่งมันจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์เมื่อมีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานไม่ควรซื้อก็จะไปที่ไรซื้อให้เป็นมื้อเป็นคราวทั้งให้เป็นมื้อเป็นคราวทั้งขาวหวานนี่เห็นไหมอันนี้ลนะักดาท่านก็ได้ผูกเป็นคำกรอนไว้ไพเราะมากว่ามีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจง อย่าจ่ายลงให้มากจะ ย, ยากนาำหมายถึงว่าถ้าใครจ่ายเกินเกินฐานะเกินที่ตนได้ก็จะลำบากจะทุกข์ร้อนนี่ไม่ควรซื้อก็อย่าไปพี่ไรซื้อนี่อะไรที่เราควรจะจับจ่ายใช้สอยควรไม่ควรซื้อก็อย่าไปอะไรที่ควรซื้อก็ควรที่ไม่ควรก็อย่าไปซื้อแต่พวกเราทุกวันนี้ซื้อกันมาเป็นของฟุ่มเฟือยมากนะทุกวันนี่เรากินเราอยู่เราใช้กันฟุ่มเฟือยมากไอ้สิ่งที่มันเกินพอดี ขอให้ท่านลองลองนึกดูตัวเองว่าไอ้สิ่งที่มันไม่จําเป็นรู้สึกมันมีมากหลือเกินที่ท่านเอามาเก็บเอามาไว้ในบ้านเนี่ยรู้สึกว่ารกบ้านเต็มบ้านนะรกบ้านเต็มบ้าบางครั้งในลิ้นชักของเรานี่เต็มไปหมดเลยไอ้ของนั้นไม่ได้จําเป็นอะไรเลยนะปอัตติ้ไรก็เต็มอยู่อย่างนั้นเกะ ก, กะ เ, ะเะกกะปล่าๆสกปรกลบวงลังเปล่าๆนะนี่แหละฉะนั้นเป็นสิ่งที่เราไม่รู้จักประหยัดไม่รู้จัก ร, รักษาทรัพย์สมบัติเราได้มาสิท ก็ต้องใช้ห้าหรือใช้ใช้เจ็ดใช้แปดไม่ใช้ได้สิบแล้วก็ใช้สิบห้าใช้ยี่สิบอย่างนี้ก็จนจนตายนะจนจนตายนี่หลักหลักในของพระพุทธองค์ได้วางไว้ให้แล้วนะฉะนั้นถ้าว่าเราเดินตามทางนี้แล้วก็เชื่อแน่ว่าจะมีแต่ความราบเรื่องในการดํารงชีวิตประการที่สามคนเราเมื่อขยันหาทรัพย์มาได้รู้จักเก็บทรัพย์แล้วแค่นั้นยังไม่พอ ต้องรู้จักคบเพื่อนที่ดีนะต้องคบเพื่อนที่ดีแม้อันนี้สำคัญมากคนเราถ้าอยู่ที่ไหนมีเพื่อนดีแล้วก็จะทำให้ตัวเองดียิ่งขึ้นแล้วเพื่อนที่ดีนี้ไม่ต้องมีมากนะเขาบอกว่าเพื่อนที่ดีมีหนึ่งถึงจะน้อยดีกว่าร้อยเพื่อนคิดริษยาเหมือนมีเกลือนิดหน่อยน้อยราคายังดีกว่าน้ำเข็มเต็มทะเลเห็นหม ถือว่าคนนั้นขาดบริวารที่ดีนะเป็นเครื่องบอกว่าเป็นคนไม่ดีไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมฉะนั้นการครบเพื่อนจึงต้องรู้จักนะเพื่อนให้เราดีก็มีเพื่อนให้เราชั่วก็มีจึงมีเป็นคำกลอนบอกว่าคนจะดีบางทีก็เพราะเพื่อนช่วยตักเตือนเงื่อนงำตามวิสัยแต่บางทีเพื่อนนี้ก็เป็นภยัยเป็นปัใจจัยให้เราต้องเผาเรือนเห็นไหม น, ะนี่มันมีหลายรูปแบบเพื่อนของเรา เพื่อนกินเพื่อนกันเพื่อนรู้ไม่ทันเพื่อนกันก็เอาไปกินอ่เยอะแยะเลยนะฉะนั้นขอให้เราเป็นเพื่อนตายกันเถอะนะเป็นเพื่อนที่จะช่วยกันแก้ปัญหาในการดํารงชีวิตกันเถอะเพื่อนอย่างนี้มีประโยชน์เพื่อนที่ดีย่อมชักนําให้เพื่อนนั้นไปในสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นสาระเพื่อนที่ดีนั้นสามารถที่จะช่วยเพื่อนในยามตกทุกข์ได้ยากได้ เพื่อนที่ดีนั้นสามารถจะช่วยปกปิดความลับของเพื่อนได้เพื่อนที่ดีนั้นไม่เอาเปรียบเพื่อนไม่เอาเปรียเพื่อนมีแต่จะช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนขอน้อยก็ให้มากนี่เป็นลักษณะของเพื่อนที่ดีตรงกันข้ามเพื่อนที่ไม่ดีแล้วก็ย่อมชักนำไปในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ในสิ่งที่ไม่เป็นทุระก็คือว่าชักนำไปในแหล่งอบายมุกต่างๆเล่นที่ไหนไปที่นั่นําที่ไหนไปที่นั่นเข้า ครับบ้าอบอาบนวดอะไรต่างๆนานา น, านานานี่เป็นบอกเกิดแห่งความทิพหายเป็นทางแห่งความหายนะไม่ดีนะอันนี้ไม่ดีอ่ะทีนี้มาถ้าหากว่าเราคบเพื่อนที่ดีแล้วแน่นอนที่สุดเราก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในทางตรงกันข้ามถ้าเราได้เพื่อนไม่ดีทรัพย์สมบัติที่เราเก็บไว้ก็อาจจะหมดได้โดยไม่นานประการสุดท้ายก็ให้เรารู้จักดํารงชีวิตเลี้ยงชีวิตตามความเหมาะสม อย่าให้มันฟุ่มเฟือยนักอย่าให้มันฝืดเฟืองนักเอเลี้ยงยังไงก็คือเลี้ยงชีวิตตามฐานะนั่นเองคนเราเนี่ยมันไม่รู้จักฐานะตัวเองนะสังเกตดูเถอะไอ้คนจนเนี่ยรู้สึกว่าอยากใช้ของที่ดีอยากกินของที่ดีใช้คนมีก็รู้สึกว่าประหยัดจังเลยนะใช้ของก็ไม่ดีกินก็ไม่ค่อยดีพอกินไปวันๆหนึ่งนี่ฉะนั้นอันนี้แหละเราต้องให้เหมาะสมกับฐานะ ไอ้สิ่งอะไรที่มันเกินฐานะแล้วมันไม่ดีไม่สวยไม่งามอย่างที่เขาบอกว่าคว า, ายผอมเลือสีผีสตรีไม่มีถันอีคนจนแต่งกายีนี่อีกอันทั้งสี่พันดูเห็นไม่เป็นงามนี่ขอให้ท่านฟังอีกเที่ยวหนึ่งว่าคว า, ายผอมเลืสีผีสตรีไม่มีถันอีคนจนแต่งกายีนี่อีกอันทั้งสี่พันดูเห็นไม่เป็นงาม มันจะงามยังไงไอควายผอมนี่ไม่มีใครต้องการเพราะควายนั้นจะเขาเอาไปใช้งานเอาไปลากเวียนไปลากอาของต่างๆนี่มันต้องมีกําลังดีต้องอ้วนท้วนนะต้องอ้วนพีอถ้าควายผอมแล้วก็ไม่ไหวไม่มีใครต้องการไม่มีใครปรารถนาอควายผอมหรือสีพีคําว่าหรือสีพีนี่หมายถึงว่านักทรศนักบวช น, นักปวดนั่นเราทํามันไปอ้วนฉุก็ ถือว่าเป็นคนเห็นแก่กินเป็นคนเห็นแก่นอนนะใช้ไม่ได้เขาถือว่าใช้ไม่ได้นักพรนักบวชนั้นจะต้องขยันบำเพ็ญสมณธรรมขยันอบรมสั่งสอนอประชาชนอย่างนี้แล้วก็ไอความทีนันก็จะหายไปความอ้วนทีนก็จะหายไปแล้วก็สตรีไม่มีฐานดูก็ไม่งามนะไม่สวยอันนี้ก็เป็นปัญหาสังคมอย่างหนึ่งเหมือนกันที่ เราจะเห็นว่าตามหนังสื อ, อรายสัปดาห์หรือแมกกาซีนต่างๆหนังสือพิมพ์นี่จะมีอปัญหาเรื่องนี้มากนะแล้วก็คนจนแต่งกา ย, ยนี่อีกกันให้คนจนนี่ชอบแต่งกายนะชอบอวดมั่งอวดมีนี่ยชอบอวดมั่งอวดมีกินก็อวดว่ากินดีอบางครั้งต้องไปกู้นี่ยืมสินเข้ามานี่หลอกตัวเองพวกนี้เขาเรียกว่าจมไม่ลงนะจมไม่ลงเพระเพีที่ว่า ขุดลุมฝังตัวเองทางนั้นนะฉะนั้นถ้าหากว่าจะให้เหมาะสมก็คือว่าต้องพูดใหม่ควายควายพีระศรีผอมอ่านะสตรีมีถันคนจนไม่แต่งกายีนี่อีกอันทั้งสี่พันดูเห็นจึงเป็นงามนะให้มันตรงกันข้ามนะอย่างนี้ก็งามฉะนั้นนี่แหละจึงบอกว่าการทำอะไรถ้ามันเหมาะสมกับฐานะการอยู่การกินการใช้ถ้ามันเหมาะสมกับฐานะเหมาะสมกับวัยแล้ว ก็จะทำให้เรานั้นมีความเจริญนุ่งเรืองอันนี้ก็เป็นหลักในทางพระพุทธศาสนาที่จะยกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องฮีริความละอายแก่ใจโอดสัปปะความเกรงกลัวฉะนั้นก็ขอบอกให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้รับทราบไว้อย่างหนึ่งว่าทีริโอดสัปปะนี้ถือว่าเป็นกฎหมายเป็นกฎหมายสำหรับชาวโลก เป็นกฎหมายสำหรับคนทุกคนนะบ้านเมืองมีกฎหมายเป็นเครื่องคุ้มครองนะถ้าหากว่าทำผิดกฎหมายก็ถูกจองจำถูกลงโทษตามฐานะนะโทษหนักเช่นว่าฆ่าคนก็อาจจะต้องโทษหนักหน่อยหนึนนน่งไปลักขโมยเขาก็โทษเบาลงมานะฉะนั้นนี่แหละบ้านเมืองถ้าไม่มีกฎหมายคุ้มครอง บ้านเมืองก็ยุ่งบ้านเมืองก็ยุ่งแต่ความสามาคัคคีมีการเอารัดเอาเปรียบกันชิงดีชิงเด่นกันมีการฆ่าฉก ช, ชิงวิ่งราวกันแต่ที่จะมีกฎหมายเข้ามาปกป้องคุ้มครองไม่ให้คนเรานั้นก้าวไกลสิทธิซึ่งกันและกันเพื่อให้ประชาชนทุกๆประเทศนั้นได้รับความยุติธรรมได้รับสิทธิเสมอเท่าเทียมกันแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่าย ยังมีคนยังดื้อด้านยังมีคนที่จะแหกโคกทาผิดกฎหมายไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายก็มีอีกมากที่เป็นเช่นนี้เพราะอะไรก็เพราะคนไม่มีฮีริความละอายแก่ใจก็เพราะคนไม่มีโอตตะปะความเกรงกลัวทั้งในที่รับในที่แจ้งแต่กฎหมายในทางธรรมนั้นก็คือฮีริโอตตะปะนี่เองความละอายแก่ใจความเกรงกลัวนี่เองถือว่าเป็นกฎหมายเป็นกฎหมายธรรมะสาหรับ คนทุกคนหมายความว่าถ้าคนทุกคนมีความละอายแก่จใจมีความเกรงกลัวแล้วเท่ากับว่าคนนั้นมีข้อบังคับมีระเบียบอยู่ในใจเมื่อคนมีข้อบังคับระเบียบอยู่ในใจให้ความชั่วเสียหายมันก็ไม่เกิดขึ้นไอ้การฉก ช, ชิงวินราวมันก็ไม่เกิดขึ้นที่ปล้นข้ามันก็ไม่มีอ่าจะไปปล้นก่น้ะอายแก่จใจว่าเรานี่เอาเปรียบผู้อื่นนะไปเปรียบผู้อื่น เรามีมือมีข้าเหมือนกันทำไมจะต้องไปจี้เขากินมันเสียศักดิ์ศรีนี่เราคิดอย่างนี้อ่าแลอีกอย่างหนึ่งก็คิดว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมด้วยไอ้ผลกรรมอาจจะตามมาไปจี้ปล้นฆ่าเขาเขาก็อาจจะฆ่าเราอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งถ้าเขาไม่ฆ่าเราเราก็าอาจจะถูกเจ้าหน้าที่อ่าจับจองจําอ่าถึงเจ้าหน้าที่จับรองจําไม่ได้ผลกรรมมันก็จะต้องติดตามตัวเราไปนี่เราคิดอย่างนี้ได้ชื่อว่าคนนั้นมีกฎหมาย อยู่ในใจก็คือกฎหมายธรรมะก็คือฮีริคอตตาปะนั่นเองนะขอให้ท่านทั้งหลายลองคิดดูถ้าหากว่าชาวโลกหรือคนทุกคนทั่วโลกคิดอย่างนี้ท่านลองนึกดูสิว่าบ้านเมืองจะสงบสุขไหมสุขแน่นอนนะสุขแน่นอนนะสันติภาพจะเกิดขึ้นในโลกไหมเกิดขึ้นแน่นอนนี่โลกนี้จะดูสวยสดงดงามเหลือเกินแต่ถ้าหากว่า เราทุกคนหรือพ ล, ลเมืองทุกคนหรือชาวโลกทุกคนไม่มีฮีริความละอายเกลียดใจไม่มีโอสตปความเปลี่ยนตัวท่านลองนึกดูสิว่าโลกนี้จะเป็นยังไงเดือดร้อนเป็นไฟนะมีการฆ่ากันมีการฉกชิ้งวิ่งราวกันมีการลักขโมยกันจี้ปล้นฆ่าสารพัดนะเนะีนะ่ยมีการประคุชผิดประเวณีกันมีการพูดโกหกหลอกลวงกันมีการดื่มตุลาเมลัย เมื่อมัวเมาแล้ว ก, ก็ทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่อย่างนี้มันลองนึกดูสิว่าบ้านมองจะสงบได้ไหมไม่ได้เนะไม่ได้ฉะนั้นถ้าใครมีธรรมะสองข้ออยู่ในใจแล้วสบายเนอะสบายฉะนั้นขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงระหนักไว้ให้ดีว่าอย่าทำชั่วเลยเนะความชั่วอย่าทำเลยดีกว่ามันเดือดร้อนบอกแล้วว่าถึงเราไปฆ่าเขา สักวันหนึ่งเขาก็ต้องฆ่าเรานะไม่ต้องไปฆ่าเขาหรอกเนะีคนเราเกิดมาทุกคนต้องตายไม่ฆ่าเขาเขาก็ตายเนะีไม่มีใครมาฆ่าเราเราก็ตายเนะีฉะนั้นเราเกิดมาธรรมชาติสร้างให้เรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีมือมีเท้ามีมันสมองเราต้องมีความคิดเนะีธรรมชาติสร้างมาให้เสมอกันแล้วเราอย่าเอาเปรียบกันนะีอย่าเอาเปรียบกันเขาทําได้เราก็ทําได้ นะทำตามความเหมาะสมตามสติกำลังปัญญาของเรานะอย่าไปคิดคอยประเภทที่เรียกว่าชุกมือเปิบอย่างนั้นไม่ดีนะคิดไม่ดีคิดไม่ถูกคิดผิดอย่างนี้คิดผิ ด, นะ ค, ด, ผดคิดแบบที่เรียกว่าพวกมิจฉาทิฏฐิอย่างที่ว่าเมื่อกี้ที่เป็นพวกเห็นว่าทำดีไม่มีคนชมก็ไม่ใช่ว่าทำดีทำชั่วไม่มีคนติชินก็ไม่ใช่ว่าทชั่วคิดว่า ไอ้ความดีความชั่วนั้นถึงข่าวดีดีเองถึงข่าวชั่วชั่วเองไม่ได้นะไม่ได้ดีชั่วนั้นมันต้องมีเหตุนะต้องมีเหตุทางนั้นส่วนประเภทที่สามยังไปคิดบอกว่าบุญบาปไม่มีพ่อแม่ไม่มีบุญคุณนะพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่มีบุญคุณนี่ท่านคิดอย่างนั้นเพราะคิดว่าคนเรานี่ยประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่นะ อะไรอะไรมันก็สักดิ์ไปว่าธาตุทางนั้นและในตัวคนเรานั้นมันมีอานุปรมานุขั่นอยู่นี่ก็พูดเป็นหลักวิทยาศาสตร์อีกเหมือนกันนะก็เก่งเหมือนกันเหตุการณ์นี้มีมาตั้งแต่สมัยพุทธ ก, กาลแล้วนี่ว่าคนเราฆ่ากันไม่บาปเพราะฆ่าไม่ถูกคนถูกอะไรถูกธาตุถูกอานุถูกปรมานุที่มันขั้นหรือในระหว่างเซลนะระหว่างเซลล์คนที่อยู่ในตัวของคนเรานี่เขาคิดอย่างนั้นและเขายังยกตัวอย่างว่า ยังกับฝนตกมารดต้นไม้ไม่เห็นฝนได้บุญนะไฟ่าไม่ป่าไม่เห็นไฟมันบาปนี่ดูเขายกสกมันก็ยกข้าท่าเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่ถูกเนี่ยมันเป็นพวกวิชาทิฏฐิอันนี้เขาเรียกว่านักิกะทิฏฐิปฏิเสธหมดทั้งเหตุทั้งผลนะในทางพระพุทธศาสน า, านั่นว่าเมื่อเหตุมีผลก็ต้องมีนะเราทาดีผลที่รับก็คือความดี เราทำชั่วผลที่ได้รับก็คือความชั่วแต่ว่าพวกวิชาทิฏฐินี้ปฏิเสธหมดเลยนะไม่ได้นะการทำดีทำชั่วนั้นอขอให้เรารู้ว่ามันมีผลมาตั้งแต่เราคิดไม่ดีแล้วนะฉะนั้นเขาจึงแบ่งว่าความชั่วนี้มันเกิดขึ้นในสามทางทางกายนะแล้วก็ทางวาจาแล้วก็ทางใจเห็นไหมไอ้ทางกายเราเห็นชัดอยู่นะ้เห็นอย่างฆ่าสัตว์ทรมานสัตว์ กับขังสัตว์อันนี้มันก็มีโทษอยู่แล้วนะทางวาจาก็เช่นอะไรเช่นพูดเฟ er ิรเจอพูดคำหยาพูดตอเสียดเนี่ยพูดโกหกอะไรอย่างนี้เนี่ยมันก็มีผลในทางใจก็มีขอให้ท่านคิดให้ดีบางคนไปนม่งว่ายโทษทางใจไม่มี <c oughs> เช่นว่าโลกอยากได้ของเขาไอ้ความโลกนี่แหละมันเผาลนจิตใจของเราให้ร้อนกระวนกระวายทาให้เราต้อง ผิดปกติคือมีความวิกลวิการทางกายปรากฏขึ้นอแสดงอาการลุกหลี้ลุกลนนี่ฉะนั้นไอความโลภเนี่ยมันเป็นไฟอย่างหนึ่งนะมันเป็นไฟเย็นที่เผาจิตใจของเราให้ร้อนให้กระวนกระวายคนที่มีความโลภมากๆให้สังเกตดูพวกนี้แสดงอาการที่ไม่เหมาะไม่ควรทั้งในที่รับในที่แจ้งอยู่เรื่อยๆให้เราเห็นอยู่ได้เรื่อยๆนะ สแสดงเพราะว่าให้ความโลภมันบีบมันบีบคันมันเบียดเบียนเขาทำให้เขาดำรงความเป็นความเป็นคนโดยปกติไม่ได้หรือรักษาความเป็นปกติของคนไม่ได้เขาจึงต้องทำวิกลวิกาลออกไปแปรจากความเป็นคนออกไปนี่ฉะนั้นขอให้ท่านคิดให้ดีว่านี่ทางใจน ะ, นะแล้วก็การคิดพยาบาทปองร้ายผู้อื่นนี่มันก็มีแล้ว เราเดือดร้อนแล้วคนที่คิดไปอาฆาตพยาบาทเขาเนี่ยมันเป็นไฟมันร้อนเอ่เรื่อยทอสักที่ไฟคือโทอสักนี่ไอ้ทอสักไอ้ตัวพยาบาทเนี่ยมันร้อนไฟมันอยู่กใกล้อะไรมันก็เผาสิ่งนั้นให้ไหมเรายืนกใกล้ไฟมันก็ร้อนฉะนั้นไอ้ไฟที่มันเกิดในใจของเราไฟคือความอิจฉานิสยาอาฆาต พ, พยาบาทอะไรเงี่ยมันร้อนยิ่งกว่านั้นอีกหลายเท่านะมันร้อนมากนี่แล้วก็ เห็นผิดจากทำนองของทมเห็นว่าทําดีไม่ได้ดีเห็นว่าทําชั่วได้ดีอย่างนี้ถือว่าเป็นไฟอย่างร้ายแรงนี่ขอให้ท่านรู้ว่านี่มันก็มีผลอยู่แล้วผลคืออะไรคือความทุกข์ความเดือดร้อนบางคนเห็นไหมคิดจกนกระทั่งเป็นโรคประสาทบางคนคิดแล้วนอนไม่หลับกระวนกระวายทั้งคื น, นทั้งคืนอันนี้เคยเห็นมาแล้วนะเคยเห็นมาแล้วฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายได้ตระหนักไว้เลยว่าความชั่วนั้นแม้เพียงนิดหน่อย ก็มีผลอยู่แล้วนะจะยกตัวอย่างมีผู้หญิงคนหนึ่งนะเกิดในกรุงเทพนี่เองอยู่ในกรุงเทพของเรานี่เองไม่ต้องบอกว่าที่ไหนอก็รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ก็จะเกิดในตระกูลของผู้ดีเหมือนกันแต่ว่าเพราะเหตุไรไม่ทราบรู้สึกว่าแกนั้นจะไม่ค่อยดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าชอบด่าพ่อด่าแม่ผู้หญิงคนนี้ชื่อนางเขียนนางเขียนนี่รู้สึกว่าชอบด่าพ่อด่าแม่ แม้กระทั่งแกแยกเย้าเรือนไปแล้วแกก็ยังชอบด่าพ่อด่าแม่ด่าอยู่เรื่อยด่าสามีจนกระทั่งไอ้ผลกรรมที่แกด่าพ่อด่าแม่เนะี่ยมันก็เกิดขึ้นทันตาแกเป็นแผลตง่มๆเกิดขึ้นที่ริมฝีปากไอแ้แผลที่เกิดขึ้นที่ริมฝีปาก ม, มันไม่ได้หายได้ง่ายท่านผู้ฟัง <c oughs> เพราะอะไรเพราะเราจะต้องรับทานอาหารอยู่เรื่อย ไอ้ของเปียกของแฉะอะไรมันก็เข้าอยู่ทั้งปากเรื่อยรสเปรี้ยวรสเค็มรสหวานรสมันรสเผ็ดอะไรมันก็เข้าอยู่นั่นมันก็ไปทําให้แผลนั้นหายยากให้แผลนั้นก็เลยผูกพองเปื่ยมากยิ่งขึ้นไปรักษาก็ไม่หายหมอกลางบ้านก็ไม่หายหมอโรงพยาบาลก็ไม่หายนผลที่สุดเป็นไงเหตุการณ์อัศจรรย์ก็เกิดขึ้นก็คือว่าลงท้ายก็คือนอนชัยปากนี่เห็นไหมนอนชัยปาก ลูกสาวเกิดความขยะแขยงแม่ที่เห็นนอนชัยปากต้องไปจ้างคนอื่นให้มาตนนิบัตรต้องไปจ้างคนอื่นให้มาแคะเอาหนอนที่ปากของแม่ออกเพราะตอนนี้แม่ก็นอนลุกไม่ขึ้นแล้วนอนรอวันตายแล้วผลที่สุดนางเขียนนี่ก็ตายท่านผู้ฟังทั้งหลายนี่เป็นแรงกรรมนะขอให้ท่านฟังให้ดีว่านี่เป็นแรงกรรมเป็นกฎแห่งกรรมไอ้แรงกรรมนี่ไม่มียาอะไรรักษาหาย นะไม่มีอะไรรักษาหายต้องได้รับสักวันหนึ่งแน่ต้องได้รับจะช้าหรือเร็วแค่นั้นเองนะจะช้าหรือเร็วแค่นั้นเองฉะนั้นท่านอย่าประมาทนะอย่าประมาทว่าทำชั่วแล้วไม่มีคนเห็นอย่าประมาทว่าท่านทานั้นคิดดีแล้วรอบครอบแล้วแม้ว่าไม่มีใครรู้อย่าคิดอย่างนั้นนะอย่างน้อยก็ย้ำไว้บ่อยๆว่าตัวเองรู้นะตัวเองรู้อ ดังนั้นขอให้ท่านในลอมคิดมาให้ดีก็จะยกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งให้ท่านเห็นชัดๆก็คือว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อ8ริ้วจังหวัดชาเชิงชาเชิงเซานะจังหวัดชาเชิงเซามีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนางจันทร์นางจันทนี่คก็มีอาชีพไปเก็บข้าวนะเก็บข้าวเปลือกเก็บข้าวนกนะสมำบล น, นอกเขาเรียกว่าข้าวนกไม่ทราบอ่ะท่านดูฟัง ที่ไม่เคยทําไร่ทานาจะทราบหรือเปลาไว้ข้าวนกคือข้าวอะไร้ข้าวนกเนี่ยมันไม่มีมเมล็ดในมีเป็นรีบเป็นข้าวรีบนะไม่มีไม่มีเม็ดข้าวสารพูดตรงนั้นเถิดอ่าเป็นรีดเฉยๆเรียกว่าเป็นข้าวนกนะแกชอบไปเก็บข้าวนกหรือข้าวตกอะไรที่มันตกอยู่ตามทุ่งไร่ทุ่งนาที่เขาเก็บเกี่ยวแล้วนะเอามาก็มันนวดนวดเสร็จแล้วบางทีปีปีหนึ่งทเ่แกเก็บไม่เป็นเกวียนเกวียนนะเป็นเล่มเกวียนแสดงว่าแกขยันมากนะเป็นขยันมาก แล้วก็ไอข้าวนกที่เป็นรีบๆเนะี่ยแกเก็บออกมาแล้วแกก็เอามาผนกับข้าวที่มีเม็ดข้าวสารข้างในหมายถึงข้าวเปลือกที่เม็ดดีๆเนะี่ยเอามาปะปนกันแล้ววันดีคืนดีก็แกเอาไปแลกพริกกัปิแลกมะเขือหรือแลกสบู่แลกอะไ ร, รก็แล้วเสื้อผ้าอาพพลเนะี่ยเอาข้าวเนี่ยไปแลกโดยเป็นรีบเสียครึ่งหนึ่งเป็นข้าวดีเสียครึ่งหนึ่งนะเท่าเท่ากับว่าหลอกลวงชาวบ้านวางอันเถอะ นหลอกลวงชาวบ้านเหมือนยังเหตุการณ์ที่เกิดในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกวันนี้เหนือไอเรืองหลอกลวงชาวบ้านต้มชาวบ้านอะไรเนี่ยต้มชาวพาราต้ม ท, ทั้งเมืองอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าไอแรงกรรมที่นางจันทนี้ได้เอาข้าวรีบข้าวไม่มีเมล็ดในเอาไปปนกับข้าว ม, มีเมล็ดในเอาไปแลกข้าวปลาอาหารเสื้อผ้าอาพรท่อวมสบายกับประชาชนทําอย่างนี้มาหลายสิบปี จนกระทั่งกรรมมันตามทันเมื่อนางนั้นแก่เท่าเกิดเจ็บป่วยขึ้นนะพอเกิดเจ็บป่วยขึ้นปรากฏเป็นไย่งแกลุกไม่ได้ลุกไม่ได้นะกไไดแกเรียกให้ลูกเอาข้าวไปให้กินพอลูกเอาขดข้าวไปให้แกพูดกําเพอแล้วบอกว่าเอาข้าวรีบมาให้กินทํำไมนี่ดูที่ท่านผู้ฟัง ให้ขนาดลูกเอาข้าวสวยไปให้เอาข้าวร้อนน้อนไปให้แก่ยังมองเห็นว่าเป็นข้าวรีบนะเป็นข้าวนกเป็นข้าวที่ไม่มีเมล็ดเห็นไหมนี่แรงกรรมทําให้แก่มองเห็นเป็นอย่างนั้นนะทําให้แก่มองเห็นเป็นว่าเป็นข้าวรีบไปหมดข้าวในชามขาวขาวควันออกร้อนๆอนยังมองเห็นว่าเป็นข้าวรีบไปได้เพราะแกนั้นเคยเอาข้าวรีบไม่มีเมล็ดไหนนี้ไปหลอกขายชาวบ้านไปหลอกลวงชาวบ้านไปหลอกต้มชาวบ้านนี่ อันนี้แหละผลกรรมมันจึงได้เข้ า, เามาสนองในยามที่แกยามเจ็บปวดป่วยไขยย้แล้วเหตุการ์ยังอจจัศจรรย์ยิ่งไปกว่านั้นหลังจากนั้นไม่เนินแกก็ตายเมื่อตายไปแล้วก็ไปตั้งสบสวดในวัดอยู่ในคลองแปดริ้วนะวัดอยู่ในคลองแปดริ้วปรากฏว่าก็สวดอยู่สามวั น, นสวดสามวันวันที่สี่ก็มีการ เบิกลองหรืว่าเปิดลองเหีดศพนะ่ะก็จะมาอาบน้ําทําละเหีดศพก็จะเอาไปเผากันเหตุการณ์อัศจรรย์ก็เกิดขึ้นเป็นไงท่านผู้ฟังปรากฏว่าในโรงนั้นเกิดมีข้าวงอกเต็มขึ้นมาเลยนี่เห็นไหมเกิดมีข้าวงอกเต็มขึ้นมาเลยไม่ใช่เต็มแต่โรงในปลาของนางก็ยังมีข้าวงอกออกมาอีกเห็นไหมนี่กรรมนะกรรมจริงๆไม่มีใครเอาข้าวไปใส่คนนี้อัศจรรย์กันมาสกตกตะลึงกันหมดเลย ทังเจ้าวาดที่วัดประชาชนที่มาในงานนั้นแปลกใจกนว่าเอ๊ะนี่ข้าวมันมังอกอยังไงแล้วข้าวแค่ลองคิดว่าตายไปแค่สามวันเนี่ยข้าวมังงอกไงต้องเป็นครืบครืบเนีไอ้สามสี่วันนี่อย่างดีก็ยังไม่คันจะแตกนะในมเมล็ดยังไม่คันแตกอ่านี่มันเป็นเรื่องอจัจฉริยะอ่าที่เล่ามา น, นี้เป็นเรื่องแรงกรรมเป็นเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ที่ เราควรเอามาเปรียบเทียบเอามาพิิพิจารณาว่าเรื่องกรรมนั้นมันมีแน่ผลแห่งการทําความดีความชั่วนั้นมีแน่นะมีแน่แน่ฉะนั้นขอให้เราทุกคนนั้นทําแต่กรรมดีนะทาแต่กรรมดีอย่าทํากรรมชั่วการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการเบียดเบียนกันนั้นมันก็บาปนะนันก็บาปนะเราควรละอายแกลียดใจเราควรเกรงกลัวการรักขโมยกันมันก็น่าละอายนะน่าละอายมาก ยังหนังสือพิมพ์เขาลงว่านี่ว่านักศึกษาไปเที่ยวในศูนย์การค้าแล้วก็ไปลักเสื้อผ้าเขาเขาจับได้แหมเขาลงหนังสือพิมพ์ลงรูปนี้มันน่าละอายจริงๆเห็นไหมตัวเองนี่ร้องไห้เลยเนี่ยเขาจับได้แล้วจริงจึงรู้ว่ามันน่าละอายนะแล้วเขารู้ด้วยชื่อไรนามสกุลอะไรเนี่ยมันเสียเผาพงวงตะโกนหมดเลยนะเสียไปหมดนี่แหละมันจะบอกวน่าละอาย แต่ถ้าเราคิดไว้เสียก่อนที่เราจะทำอย่างนั้นว่าเราทำอย่างนั้นไม่ดีมันน่าละอายแก่จใจน่าเกรงตัวต่อบาปกรรมที่จะตามมาในภายหลังไม่ทำดีกว่านี่มันน่าจะคิดก่อนแต่นี่ไปทำเส้ยก่อนคิดผลที่สุดก็ถูกจับเข้าคุกเข้าต า, า, ารางเสียชื่อเสียงไปกระทั่งพ่อแม่ญาติพี่น้องเสียหมดเลยเห็นไหมนี่ไม่น่าทำไม่ควรทำอ้า เราควรหน้าละอายเราควรจะเกรงกลัวต่อการประพฤติผิดประเวษกใ้ต่างๆเราสังเกตดูตำหน้าหนังสือพิมพ์มีกันเยอะมีการจุดฆ่าอนาจาร์่าข่มขืนกันแม้มันน่าละอายหลือเกิดน่าเกรงกลัวหรือเกินแล้วผลที่สุดเป็นไงก็ไปไม่รู้ถูกตัดสินประหารชีวิตก็มีนะนี่ก็เป็นข่าวที่น่าสยดสยองมากก็คือว่าหนังสือพิมพ์ได้ลงไว้วันนี้ว่าโลกได้ตัดคอแม่เนี่ย ตัดคอขาดออกมาเลยแล้วก็เอาชิวมาวางไว้ข้างๆเจ้หน้าที่ขึ้นไปนี่ยังกลัวเลยนะยังกลัวเลยนี่แสดงว่าใจดำอมหิตมากคนอย่างนี้น่ากลัวนะไม่มีความละอายแก่จใจไม่มีความเกรงกลัวต่อบาปกรรมไม่มีความละอายต่อความชั่วไม่มีความละอายต่อทุจริตไม่มีความเกรงกลัวต่อทุจริตนี่แหละคือคนที่ทาลายโลกนี่แหละคือคนที่เรียกว่านักแห่นดิน เนี่ยนักแผ่นดินคนทำลายโลกคนประเภทนี้อยู่ที่ไหนก็สร้างความเดือดร้อนสร้างเวรสร้างกรรมให้เกิดขึ้นในที่นั้นคนประเภทนี้ไม่มีใครอยากควบค้าสมาคมคนประเภทนี้ถือว่าเป็นเสี้ยนหนามของสังคมเป็นเสี้ยนหนามของประเทศฉะนั้นขอให้เราทุกคนที่เป็นผู้หญิงผู้ชายจะอยู่ในสภาวะอะไรจะอยู่ในฐานะอะไรควรจะยั้งคิดนะยั้งคิดกันให้มากถ้าหากว่าเรา คิดเก่อนจะทำแน่นอนที่สุดเราก็จะมีแต่ความละอายเกลียดใจเราก็จะมีแต่ความเกรงกลัวขอให้ท่านทั้งหลายนึกไว้ว่าศีลจะเกิดขึ้นได้นั้นเพราะมีคุณธรรมสองประการนี้คือฮีริความละอายเกลียดใจอดตะปะความเกรงกลัวคนที่มีศีลสมบูรณ์เนี่ยเพราะมีคุณธรรมสองประการแต่ที่คนมีศีลไม่สมบูรณ์ะจะเป็น พิสุพิสุนีอุบาสกอุบาสิกาอพระเทนเนีนทีเด็กๆล็กเด็กน้อยเนี่ยที่มีศีลไม่สมบูรณ์เนี่ยเพราะไม่มีความละอายแกิดใจเพราะไม่มีความเกรงกลัวใช่บางคนเราจะเห็นว่าเขามีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเขาละอายแก่ดใจแต่อันนั้นเขาทําในที่แจ้งแต่ในที่รับแล้วเขาไม่ละอายแก่ดใจเขาไม่เกรงกลัวอันนี้ความชื่วว่าจะต้องบังเกิดขึ้นแก่เขาแน่ๆนะจะต้องบังเกิดขึ้นแน่ๆฉะนั้น เราต้องละอายเกลียดใจทั้งในที่รับในที่แจ้งต่อก า, การกระทําทุจริตด้วยกายวาจาใจเราจะต้องเกรงกลัวต่อบา ก, กรรมต่อทุจริตเ อ, อด้วยกายและวาจาใจอีกเหมือนกันแล้วเราไม่กระทําอย่างนี้เราก็จะมีแต่ความสบายฉะนั้นคนที่มีธรรมสองะการนี้พระพุทธองค์จึงได้ตรัสไว้อีกอย่างหนึ่งว่า ฮิริโอตตะสัมปันาสุกะธรรมสมาหิตาสันโตส ป, ปุริสาโลเกเ ท, ทวธรรมติวเจเรที่บอกว่าฮีริโอตตะสัมปันาบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยความละอายแก่ใจถึงพร้อมด้วยความเกรงกลัวสุกะธรรมสมาหิตาตั้งอยู่ในธรรมอันขาวสันโตส ป, ปุริสาโลเก ถือว่าเป็นคนดีหรือเป็นสัตว์รุษที่ในโลกนี้ น, นี่สันตอสัปริสารโลเกเทวาธรรมมาติบุเรเราเรียกบุคคลนั้นว่าคนมีเทวธรรมเทวธรรมคืออะไรท่านผู้ฟังเทวธรรมก็คือทำที่ทำคนให้เป็นเทวดาทำที่ทำคนให้เป็นเทพปบุตรให้เป็นเทพธดานี่เราไม่ต้องตายไปแล้วจึงไปเป็นเทพบุตรเทพีิดา เป็นในร่างของมนุษย์นี่เป็นในร่างของผู้หญิงเป็นในร่างของผู้ชายเป็นในร่างของพัะสององค์เนรนี่เป็นอย่างนี้ใครมีธรรมสองประการนี้เกิดขึ้นในใจเมื่อไหรคนนั้นเป็นเทพประวุฒิเป็นเทพดีดาทันทีนะไม่ต้องขอไปเอาชาตินะเอาชาตินี้แหละน ะ, นะเอาชาตินี้แหละฉะนั้นอันนี้แหละก็ขอฝากท่านผู้ฟังทั้งหลายไว้เป็นข้อคิดว่าธรรมะสองประการคือยิริความละอายแกลียดใจโอสปะความเกรงกลัวได้ชื่อว่า เป็นธรมคุ้มครองโลกคุ้มครองให้ชาวโลกคุ้นครองให้พลเมืองของโลกอยู่เย็นเป็นสุขเพราะถือว่าธรรมนี้เป็นกฎหมายบ้านเมืองเพราะถือว่าธรรมนี้เป็นแบบแผนที่ดีของบ้านเมืองเป็นแบบแผนที่ดีของโลกถ้าหากว่าคนทุกคนมีความละอายแก่ใจมีความเกรงกลัวตัวเองก็จะมีแต่ความสุ ข, ขครอบครัวก็มีแต่ความสุขสังคมก็มีแต่ความสุข ประเทศชาติก็มีแต่ความสุขแม้แต่ชาวโลกก็เกิดสันติสุขเกิดสันติภาพฉะนั้นขอให้เราทุกคนจงมีความละอายแก่ใจจงมีความเกรงกลัวและจะมีแต่ความสุขความสวัสดีเอาละเท่าที่อาตมาได้บรรยายมาเกี่ยวกับเรื่องทําเป็นโล ก, ก บ, บาลทำกลุ่มของโลกสองอย่างก็เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้ฟังไว้เป็นเครื่องเตือนกิจสิขใจและนําไปประพฤติปฏิบัติและขอจาเป็นครั้งสุดท้ายว่าขอให้ท่านทั้งหลายจง นึกถึงทำสองข้อนี้ให้มากแล้วความสุขความสวัสดีก็จะบังเกิดขึ้นในที่สุดนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงอภิบาลคุ้มครองป้องกันให้ท่านผู้ฟังทลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีขอเจริญพร